เดือนที่สองวันที่สี่แผ่เมตตาด้วยคำพูดการมีร่างกายที่ไม่เป็นโรคนั้นปลอดโปร่งดีจริงเนาะพอหายทุกข์หายไขย้ใจก็สบายและเสพสุขจากอาการปกติทางกายได้มากกว่าเดิมเหมือนฟ้าหลังฝนคนเราย่อมเห็นค่าของสุขภาพที่ดีเมื่อได้มีโอกาสเปรียบเทียบกับสุขภาพย่แย่ใหม่ๆอย่างนี้เอง ฉันไปทำงานตามปกติร่างกายยังอ่อนเพลียและร้อนร้อนรุนรม ร, มรุมอยู่บ้างแต่ความเย็นในจิตและความแข็งแรงของสติรู้ช่วยบรรเทาอยู่ตลอดเหมือนผลัดกันรุปผลักลดกันรับระหว่างไข้ที่ยังไม่หายสนิทกับจิตที่มีสติคุ้มกันไว้ดีไม่เผลอหลงเข้าไปกระวนกระวายหรือสร้างทุกข์เพิ่มอีกชั้น ด้วยความสุขเย็นติดจิตติดใจทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าห้องประชุมในช่วงเช้าฉันกำหนดรู้สึกว่าเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งนิ่งไม่ไหวติงรู้ไปเรื่อยๆโดยไม่หลงยึดว่าเป็นสุขของฉันแต่เห็นตามจริงว่านั่นเป็นสุขอันเนื่องด้วยกายขณะกำลังรู้สึกก็ฟังประชุมไปเรื่อยๆหรือกล่าวให้ง่ายขึ้น คือฟังประชุมด้วยความสุขภายในอันคงเส้นคุงวาก็ได้พราถึงตาฉันต้องเอื่อเอ่ยฉันก็กำหนดสติรู้สุขทางใจพร้อมกับพูดไปด้วยมีความประกอบพร้อมหลายอย่างเกิดขึ้นคือฉันรู้อิริยาบถนั่งด้วยทราบด้วยว่าสติรู้อิริยาบถนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขใจด้วย แล้วก็เจรจาตามหน้าที่ด้วยดูเหมือนทำหลายอย่างแต่ความจริงคือใจคิดพูดอย่างเดียวบนฐานสติคือสุขเวทนาอันเนื่องด้วยกายสีสะตั้งนิ่งสบายไม่โยกเยกสองไหล่พักสองแขนตกแนบลำตัวประสบการณ์ในชั่วเวลานั้นทำให้รู้จักกับการแผ่เมตตาผ่านคำพูด ฉันรู้สึกชัดว่าสุขเริ่มจากจิตอันตั้งมั่นรู้ของตนเองพอจะเปล่งแต่ละคำก็เห็นกระแสสุขยังปากหลักตั้งมั่นที่ฐานเดิมโดยไม่แยกเป็นตังหากจากกันระหว่างสุขที่ใจกับสุขที่ส่งไปกับกังวาลเสียงฉันเห็นชัดว่าจิตคิดคำออกมาทีละประโยคใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที พอคิดได้ก็ปล่อยให้รินไหลออกจากปากไปสู่หูผู้ฟังในห้องประชุมเองโดยไม่ต้องคิดซ้ำอีกนี่จัดเป็นการทำงานของสติอันตั้งมั่นประการหนึ่งคิดทีเดียวใช้เวลานิดเดียวแล้วไม่มีลักษณะย้อนทวนวกวนลักษณะ ส, สติชนิดนี้เป็นไปด้วยกันกับกระแสสุขที่มั่นคงอยู่ในภายใน เลี้ยงอิริยาบทนั่งให้ตั้งนิ่งไม่กระสับกระส่ายไม่กำเกรงรวมทั้งไม่ถือเป็นหินหน้าขบขันยิ่งพูดมากขึ้นสติฉันยิ่งเต็มและเกิดความรู้จักภายในว่าทั้งห้องประชุมรับส่วนแห่งไอเย็นในจิตของฉันไปกันทั่วนหน้าพวกเขาดูมีทีท่ารับฟังฉันอย่างดีแล้วก็น่าจะเพลิดเพลินสบายใจมากด้วย แม้แต่ศัตรูของฉันยังสงบฟังไม่ขัดคอแม้แต่คำเดียวหลังเลิกประชุมเจ้านายชมเปาะว่าฉันพูดฟังเข้าใจง่ายขึ้นเยอะแล้วปฏิภาณในการโต้อตอบกับคนในห้องประชุมก็ดูเฉียบคมขึ้นว่องไวเป็นธรรมชาติดีราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเจ้านายถามเชิญกระซาวว่าไปทำอะไรมา ดูหน้าตานวลผ่องผิดปกติฉันก็บอกว่าคงเป็นเพราะเมื่อวานไปเที่ยววัดต่างจังหวัดมาเลยได้อ น, นิสงเป็นความมีอะไรอะไรสดชื่นขึ้นกระมังเจ้านายฉันถามว่าวัดอะไรวันหลังพาไปบ้างฉันได้เห็นด้วยตนเองว่าการเจริญสติไม่ใช่ได้ดีเฉพาะเราคนเดียวแต่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่ง กับคนรอบข้างไม่มากก็น้อยบางทีการนั่งคุยกับญาติมิตรด้วยกระแสใจที่อุดมสุขในสติจะดีเสียวกว่าการพยายามยัดเยียดหนังสือธรรมะหรือการขยันขยอชักชวนไปทำบุญในที่ที่พวกเขาไม่เต็มใจหลายสิบหลายร้อยเท่า